มัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวบอกดูอยากบอกฮะมัจจุราชมองไม่เห็นตัวเห็นแต่ตอนมันแอ n งแม่งนั่นะเห็นแต่ตัวมันนั่นแหละมัจจุราชมัจจุราชคือความตายมัจจุมานมัจจุราชมัจจุมานพยามานมัจจุมาน ความตายทั้งถือว่าเป็นมารความตายมันก็เป็นผลิตผลมามาจากกิเลสกิเลสเขาเรียกกิเลสมารกิเลสทําให้เราได้ขันเนี่ยขันต้องมองแตงแมงอยู่เนี่ยเขาเรียกขันธมารคําว่ามารก็คือสิ่งที่ตัดรอนเราคําว่ามารเนี่ยสิ่งที่มาตัดรอนเรา อยู่ดีมีสุขหลวกสบายเอ้าถูกตัดรอนไปแล้วเครียงมารายุไขยังไม่ถึงไหนเอ้ากรรมมาตัดรอนไปแล้วมัจจุมาณเอาไปแล้วต้นต่อของมันแท้ๆคือกิเลสมานกิเลสทําให้เราได้ขันที่เรียวกว่าขันธมารมีขันมาแล้วก็มีแก่มีเจ็ศมีตายเป็นมัจจุมาณ น, นี่มัจจุราชนี่แหละมาร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 เพิ่มกับตัวเองนี่ก็พอแล้วแหละต่อกกนกับเจ้าวัตตะในตัวเองนี่ก็พอแล้วเราไม่ต้องไปต่อกกักับใครแหละนี่คือพยามานอือย่าลืมว่ามัจจุมานมัจจุมานเนี่ยมันมีภาวะอารอบข้างตัวเรามันพร้อมที่จะเป็นเหตุให้เกิดมัจจุมานได้รู้จักไหมโดยเฉพาะการนั่งไปบนรถเนี่ย มันไปกับไอ้ลอกกลมๆที่มันหมุนเนี่ยไอ้เราก็หมุนไปเขาก็หมุนมาเนี่ยเฉียวกันไปก็เฉี่ยวกันมาต้องระวังนั่งภาวนาไปไม่ประมาทใครมัวแต่ประมาทนอนหลับตเตลิดเปิดเปิงเปิงมาอ่าอยู่ในท่าทีที่รมะมัดระวังอ่ามีอะไรขึ้นมาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอะ ใจมันพอจะละเอียดได้บ้างไม่งั้นก็อาฆาตพยาบาทจองเวรวิตกกองวลทุกทรมานไม่มีหยุดไม่มีหย่อนวิชา ต, ต่อสู้กับพยามานมีโยพุทธเจ้าท่านสอนนี่ะสติสัมปชัญญะเป็นอาวุธเป็นเครื่องมือถ้าจะเทียบกัเหมือนในขมังธนูนี่แหละ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 พุทธเจ้าของเราท่านสอนให้เมตตากรุณามุติต า, าเบิกขามันเหมือนกับว่าทําให้เราเนี่งอมืองอตีนแท้จริงเราเมตตาเรากรุณาเรามุติตาเราเบิกขาเขามองเห็นว่าเรานี่นี่แหละคือจุดอ่อนนี่แหละคืออ่อนแอนี่แหละคืองอมืองอตีนนะแค่เดินไปเหยียบแค่วิ่งไปเหยียบก็พร้อมที่จะนอนให้ให้ให้ใหใหเหยียบเพางั้นเถอะพวกเรานี่แหละอืม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 มีอาวุธติดตัวล่ละมีอาวุธป้องกันตัวมีอาวุธติดตัวคู่ต่อสู้ที่เป็นศาสนาที่เป็นประปักเนี่ยพร้อมที่จะตายได้ถือว่าโอ้เป็นการทำงานยิ่งใหญ่ให้กับผู้เป็นใหญ่ของเขาล่ะไปเจ้าของเขาลหละต่อไปจากนี้จากนี้เป็นต้นไปยกพวกเรานี้อาจ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 พวกเราไม่ระมัดระวังเอาไว้วันดีคืนดีเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีกลยานามิตรแบบนี้ไปอยู่ใกล้เข้าตายและวระวังให้ดี่ะท <laughs> า, ารุณนมิตรไม่ใช่กาลยานมิตรทารุณนมิตร มิทธิทารณุณโหดร้ายที่สุดพร้อมที่จะควักลูกตาพร้อมที่จะหักแข้งหักขาเรายามเราเผลอจิตของคนเราเนี่ยสักเทว่ารู้สักเทว่ารู้สักเทว่ามีความรู้สติปัญญาที่จะมาบอกสอนให้เราเข้าใจเรื่องสัมมาทิฏฐิกับ คนที่สุ่มเดาแล้วก็บอกสอนว่าอย่างนี้แหละดีอย่างนี้แหละดีอย่างนี้แหละต้องวิธีนี้ถึงจะชนะเขาวิธีนี้ถึงจะชนะเขาสมาธิมิตรชาติมิตรไม่รู้เรื่องเขาก็เลยทำทำอะไรเป็นเรื่องตอบสนองกิเลสในหวัวใจทั้งหมดโอกาสที่จะทําอะไรเพื่อเป็นการตัดรอนกิเลสในหวัวใจของตัวเองไม่มีไม่ต้องไปคิดตัดรอนกิเลสในหวัวใจคนอื่นตัดรอนกิเลสหัวใจของเองได้ก็ถือว่าพ้นทุกพ้นโทษไปได้ ตัดไม่ได้ก็คือว่าเราพันทุกพันโทษให้กับกับเราเองแล้วก็พร้อมที่จะคลุกคลีตีมงอยู่กับมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นไม่มีจุดจบไม่มีที่จบหน้ากลัวหน้าเบื่อหน้ากลัวหน้าเบื่อหน่ายเป็นภาระเสียเวลากับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแต่ก็เป็นเหตุให้เราต้องได้ระมรัดระวังไม่งั้นภยนัยเหล่านี้จะต้องมาถึงเรา ดูเขาตายตายเอาตายเอาอยู่เนอะร่วงเป็นอะไรเนะเขาไม่มีเขายุเขายุให้กล้าเขาไม่ได้ยุให้กลัวยุให้กล้าตายพวกเราตายไม่สมควรไม่สมเหตุสมผลเราจะไปตายฟรีทาไมเราไปตายฟรีทาไมเรามีคุณงามความดีเต็มตัว เขามาตัดมือตัดตีนตัดลายแต่ออไรก็เขาตัดเราไม่ได้ตัดเขาเขาเป็นเจ้าของกรรมเขาเป็นคนทําเราไม่ได้ทําเนี่ยรพุทธเจ้าท่านเอาตรงนี้ขณะท่านสอนพระพิสุมีคนเขามาทรมานอ่าเอาเธอนอนลงเอาเธอนอนลงเอาเลื่อยมาตัดกลางตัว เธอจะทําตัวยังไงเธอจะทํำตัวยังไงก็ปล่อยเขาตัดตัดก็ตายไม่ต้องโกรธตอบไม่ต้องเกลียดตอบแต่เขาเป็นคนทําเราไม่ได้ทาร่างกายนี้ถึงเขาไม่ทําเราก็ตายเขาฆ่าก็ตายเขาไม่ฆ่าก็ตายเขาด่าด่าดีแล้วดีกว่าเขาไม่ทุบทุบทีเขาทุบตีดีแล้วดีกว่าเขาไม่ฆ่า เน่ทานพิจารณาไปไปอย่างนี้แต่มันเป็นหลักคำสอนที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของเมตตาเมตตาค้าจุนโลกเดี๋ยวนี้ศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาที่ยอมรับทั่วโลกว่าเป็นศาสนาที่ยังสันยังโลกให้มีความสันติภาพทำให้โลกเสมอภาคมีความสุขทับเทียมกันได้แต่ศาสนาที่ที่เขาไม่ใช่ว่าเป็นสันติภาพโลกแต่มันมีอิทธิพลมาก เพราะมันเอาบทบาทของกิเลสเต็มร้อยมาใช้เราจะเอาอะไรไปตอกก่อนกับมันในทีสุดมีสิ่งดีที่ไหนก็มีสิ่งไม่ดีที่นั่นมีผู้อยู่อยากอยู่สงบเงียบที่ไหนก็มีผู้ไปรังแกรังควานที่นั่นพูดง่ายๆคือมีพระเอกที่ไหนก็ต้องมีโกงที่นั่นถ้าไม่มีโกงก็ไม่มีพระเอกถ้าไม่มีพระเอกก็ไม่มีโกงนะเป็นข้อเปรียบเทียบ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 ตาเป็นตารูปเป็นรูปไม่จะต้องไม่จำเป็นจะต้องไปเอารักมาไม่จำเป็นจะต้องไปเอาชังมานี่อันนี้คือพุทธเย้าท่านสอนไม่งั้นมันก็เอาความรักเอาความชังเข้าไปใส่มันไม่เป็นปกติเนี่ยพุทธิย้าท่านสอนให้เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ได้นี่แหละสัมมาทิฏฐิเห็นชอบ เห็นถูกเห็นอัตสัมมาปนิธนิตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ชอบด้วยธรรมะพื้นพื้นธรรมะสูงละเอียดลึกขึ้นไปจนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสัจธรรมสักทว่าเป็นสัจธรรมไม่มียึดเข้ามาไม่มีผลักออกไปให้พร้อม อาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวะเมวอิตโตทินังเปตาหนังปกปติจิตตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยทามนิชโชติราโสยทัสปีติโยวิวัชันตุสปรโรโควินัสตุ มาเตผวัตวันตารโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังพุทธาปจายิโนจตาโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังภาลังภวะตุสับพมังคลังรักขันตุสปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาโสธีพวันตุเตภวะตุสับพมังคลัง รักขันตุสัพเทวตาสัพธมานุภาเวนะสทาโสถีพว w a n ตุเตภวตุสั พ, พมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสั พ, พสังฆานุภาเวนะสทาโสถีพ a วันตุเต